บิสมิ ل ลาอิลลอฮ์ราฮ์มานราฮิมอันฮัมดุลลอฮ์รับน้าเลมีนวะบิฮีนัสตัยน์อัลลอฮุมศุลลิอัลลมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยุมวะราะห์มะตุลลอฮวะบรกตุขอความสันติ จำเริญชะอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาความหมายกุรอานในวันนี้ทุกท่านนะครับจะบอกว่ามาสอนตัฟซีดนะมันก็ยังยังไม่ใช่ตัฟซีดเต็มที่เป็นการอธิบายความหมายกุรอานวันนี้เนี่ยนะครับเนื้อหาคร่าวๆเล่าให้ฟังก่อนนะเราเนี่ยยังอยู่ในซุลยูสุฟอยู่ ยังไม่จบแต่ว่าใกล้แล้วมาถึงตอนท้ายแล้วนะครับยังไม่จบดียังอีกสองสามสัปดาห์วันนี้เนี่ยนะครับอายาที่แปดสิบเอ็ดถึงอายาที่แปดสิบหกอายที่แปดสิบเอ็ดถึงอายาที่แปดสิบหกนะครับในซุรยูสุฟก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้หกอายะเยอะนิดนึงแต่วันเนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกัน อย่างที่เคยนําเสนอพี่น้องไปวะซัลยูซุปเนี่ยลักษณะของเนื้อหาค่อนข้างที่จะต่างจากซัลย์อื่นนะซัลย์ยูซุปเกือบจะพูดได้ว่าพูดได้ว่านะครับเป็นซัะย์เดียวในกุรานที่มีลักษณะเป็นชีวประวัติมันมีประติศาสตร์กับชีวประวตัติต่างกันนะปรติศาสตร์ก็เล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น อนีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าชีวประวัติเนี่ยเน้นไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ลําดับเหตุการณ์โดยใช้คนคนนั้นเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางในซลอยูซุปใช้ในบิยูซุปเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็เล่าผ่านในบิยูซุปซึ่งตอนนบิยูซุปนี่น่าสนใจมีหลายตอนที่น่าสนใจแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเวลานาบินยูซุปดาเนินเหตุการณ์ไปเป็นเด็กโตขึ้น ติดคุกอะไรกันแล้วแต่คนเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นไปเกี่ยวข้องกับนาสุไลคอนะเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกี่ยวข้องกับพ่อเกี่ยวข้องกับเพื่อนเราก็จะเห็นภาพของชีวิตนายบียูซุปในตอนนะั้นซึ่งหลายตอนให้แง่คิดที่ที่น่าประทับใจนะครับเหตุการณ์ในวันนี้เนะี่ยต่อเนื่องกันมาคาี่แล้วเนี่ย น บ, บิยูซุปตอนการที่จะเก็บน้องชายของตัวเองไว้ก็คือบิญญามียนเก็บไว้กับตัวเองนะครับก็เลยให้คนเนี่ยทำเหมือนว่าบิญญามีนขโมยนะแล้วก็เก็บไว้กับตัวเองนะครับทําไมถึงทําแบบนั้นจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยเล่าแค่นี้เฉยๆนะแต่ว่าทําไมยังไงเนี่ยเป็นการตีความทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีหลายทัศนะมากนะ เราก็ไม่ต้องไปเอาเป็นเอาตายทัศนะที่เราให้น้ำหนักก็ส่วนมากจะมองว่าเป็นการทัศนะที่ไม่เขาเรียกว่ายังไงล่ะไม่ละเมิดความดีของบรรดา น, นาบีเช่นเราจะมาอธิบายประวิศาสตร์ว่านะบิซุเป็นคนเจ้าเล่ก็เลยแก้งพี่ที่เหลือเอาน้องมากับตัวเอง ลักษณะแบบนี้เราจะมาไม่ค่อยให้น้ำหนักเพราะว่าเป็นการละเมิดถึงลักษณะที่ดีของมรดา น, นาบีนะครับนักตับซิ่ก็พยายามอธิบายว่านัียูซุปเนี่ยกเกรงกลัวอะไรหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นกับน้องกลัวว่าตอนนี้เนี่ยส่เหตุที่ตั้งกลัวแบบนั้นเพราะว่าอะไรล่ะตัวเองเป็นประสบการณ์ตรงเคยถูกมาแล้ว เมื่อพ่อให้ความรักกับตัวเองมากกว่าพี่น้องคนอื่นเมื่อความอิจฉาเกิดขึ้นนบียูซุฟถูกกําจัดไม่ได้ฆ่าโดยตรงแต่ว่าถูกขจัดไปเหยพลโยนลงไปในบาะตั้งแต่เด็กๆนะและ้วก็หายตัวสาบสูญไปกลัวสิ่งตรงนี้จะเกิดขึ้นกับบิญญามีนบิญญามีนเนี่ยเป็นน้องพ่อแม่เดียวกันเป็นพี่น้องแท้ๆคนเดียวในโลกกว่าท่านนาบียูซุฟ นบิยุสุปเป็นที่ฉะนั้นจึงห่วงน้องคนนี้มากกลัวว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดกับตัวเองจะเกิดกับบินเยมินแต่ก่อนยูซุพ่อให้ความสําคัญรักมากพอยุซุพหายไปแล้วบินเยมีนเป็นคนสุดท้องพ่อก็รักมากกลัวและเกินความอิจฉาจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งและนํามาส่วนตรายกับบินเยมีนวิธีที่ดีที่สุดเก็บบินเยมีนไว้กับตัวเองตอนนี้นบิยุซุมีตําแหน่งมีหน้าที่ มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีลูกน้องมีความมั่นคงแหละในในในอีบฉะนั้นสามารถที่จะปกป้องน้องได้เก็บไว้กับตัวเองดีกว่าปล่อยให้กับสิบคนนั้นซึ่งเคยทำร้ายตัวเองมาแล้วอ่าอันนี้เป็นการอธิบายทำไมยูซุปถึงทันแบบนั้นซึ่งคำถามว่าทำไมเนี่ยมันก็จะมีคำตอบหลายคำตอบนะครับเยอะแยะไปหมดแหละทาไมค่ะนี้ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพี่น้องก็กลัวพวงเหมือนกันว่าพอตอนก่อนจะมาในสัญญากับพ่อเป็นตายร้ายดีจะนำบิญามินมาคืนตอนนี้เนี่ยพยายามทุกวิถีทางแล้วเอาบิญามินออกมาจะหยิบไม่ได้พ่อมีความผิดฐานขโมยคนที่ขโมยในสมัยก่อนต้องตกตกเป็นทาสของเจ้าของทรัพย์เป็นกฎเกณฑ์นในสมัยนั้นมันก็กดดันเหมือนกันนะ ธนุกนเคษียมาได้นบียูซุปยังไม่ทราบว่าเป็นนบียูซุปเป็นผู้ดูแลเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยไม่ปล่อยยังไงก็ไม่ปล่อยเพราะหลักฐานชัดเจนเจอสิ่งของที่หายไปในถุงยามของบิญญามินทั้งนี้ก็ห่วงเอาบิญามินมาไม่ได้แล้วพ่อจะว่าไงพ่อสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะจนกระทั่งว่าสถานการณ์มันกดดันจนกระทั่งว่าเราจะเห็นความบีบคั้นของสถานการณ์จนกระทั่งว่าแลโอบินพี่ชายคนโตบอกว่าพระเจ้าไปเถอะฉันไม่ไปไหน ทราบได้ที่บินเยเมนยังไม่ออกมาฉันไม่ไม่มีหน้าไปพบพ่ออยู่ที่อียิปต์นี่แหละมันมีความกดดันตรงนั้นนะครับครนี้โรบินซึ่งเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยนะครับฟังเล่าต่อเล่าย้อนไปหน่อยพี่ชายคนโตตรงนี้ก็คือว่าเป็นพี่ชายคนละคนคนละแม่กับนบียูซุฟและกับบินยเมนตะเล่าย้อนไปอีกนบียะกูบเนี่ยอะลัยซัลามเนี่ยนะครับ ตอนที่เกิดมาเนี่ยมีฟ้าแฝดผมเคยเล่าแล้วนะครับอันนี้ให้ความรู้เพิ่มอีกฟ้าแฝดถ้าเป็นในใน acht, อิสราเอลียาเรียกว่าเอซาวนะครับภาษาลบอ่านว่าไอซอินยาซอสเป็นฟ้าแฝดกันเลยตอนเกิดมาเนี่ยมียากรูปเนี่ยเป็นแฝดน้องถ้าเอาตามอิสราเอลียาณนะจริงไหมจริงก็บอาเราอลาัมจับยากรูปเนี่ยเอ่อใครว่า มันจะคําว่าอาคบุญแปล ว, ว่าส้นเท้าคือจับส้นเท้าพี่ชาตอนข้อเนี่ยจับออกมาพร้อมกันเลยนะในเรื่องตัวนี้เขาต้องการแสดงเห็นว่ามีความแข่งขันกันระหว่างฝาแฝดคนนี้นี่คือลักษณะของอิสราเอลียา จ, จาจริงมปนจริงในเรื่องหนึ่งนะครับขณะนี้ระหว่างนาบิยา ก, กุกกับพี่ชาฝาแฝดเนี่ยมีความขัดแย้งกันอ่ามีความขัดแย้งกันก็คือสมัยก่อนบรริสรอิน จ, จะให้ความสําคัญกับพี่คนโต ฉะนนจึงมีการแย่งสถานะการเป็นลูกคนโตขึ้นนี่เป็นอิสราเอลียาสนาะนะครับแล้วจมกระทั่งว่ายังไงน่นนะความแักแยะงตรงนี้มันมันมากขึ้นมากขึ้นคร น, นี้แม่ของนบียักูบก็คือแม่นบียักูบก็คือภรรยาขนาบีอิสฮากไม่งงนะอันนี้เป็นสายอิสราเอลียาสสายอาหรับก็คือนบีบรอฮีมพระดานซาร้อนนบีอิสมาอีนแล้วก็ยาวไปไปโผล่ที่นบีมูฮัมมัด คณิสายบรรอิสราเอลคือนบีบรอฮิมนบีอิสฮักยากรูฟยูซุปและกะล็ไลมาบรรดอิสราเอลสิบสองเผ่าแม่ของนบียากรูฟคือผนังริฟกอริฟกอเนี่ยออกเสียงแบบอาขา ร, รฟากกตาแต่ถ้าออกเสียงแบบแบบไแบเบิลเนี่ยอ่านว่ารีเบก้านะครับแม่นีก็ห่วงว่านาบียากรูฟจะถูกพี่ชายทำร้ายก็เลยให้นบียากรูฟเนี่ยไปอยู่กับลุง ออกจากบ้านตัวเองมาเลนอยู่ด้วกันไม่ได้น่าจะมีปัญหาลุงในชื่อลาบานลาบานก็นมีลูกสาวสองคนนะครับคนพี่นะและ้วก็คนน้องคนน้องเนี่ยต่อมาเป็นเป็นแม่นบียูซุปกับก บ, บิญามีนเอ่อนบียากูฟเนี่ยแต่งงานภรรยาสีคนนะครับแต่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะซึ่งในกฎหมายชารอ้า์ในสมัยนั้นไม่ห้ามสมัยนี้ไม่ได้เอาพี่เอาน้องเนี่ยไม่ได้ แต่ว่านักตัปซิบบางคนอธิบายว่าสองคนเนี่ยแม้จะอนุญาตแต่งพี่แต่งน้องได้แต่ที่นบีกุูปแต่งจริงเนี่ยไม่ได้แต่งพร้อมกันพี่สาวเสียชีวิตไปแล้วจึงมาแต่งน้องคําอธิบายตรงนี้ก็มีน้ําหนักเหมือนกันเพราะว่ามาดูเขาเรียก ว, ว่าอายุของพี่น้องทั้งสิบสองคนเนี่ยมันมีความห่างกันบิญญามินกับนบียูซุปเป็นลูกน้องสาวใช่ไหมแล้วก็หกคนเนี่ยเป็นลูกของพี่สาวมันมีความห่างกัน ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าพี่สาวเสียชีวิตแล้วจึงมาแต่งกับ น, น้องมีความเป็นไปได้แต่ถึงจะแต่งควบกันคู่กันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าในชริอาสมัยนั้นเป็นที่อนุญาตสองแม่อนาหกกับสองเป็นแปดอีสี่คนมาจากไหนละ่ะมาจากสาวครับใช้ของพนันราหีนก็คือแม่ของนบีนอูสุกกีสองคนสองพญาคนที่สามคนที่สีก็มีลูกคนละสองคนก็เป็นสี่รวมกันสิบสองคนบัดดี นะขณนี้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับพ่อเดียวกันแ ต, แต่ว่าต่วันต่างแม่นะแล้วก็ดบียากูปเนี่ยทำไมเอย่ยให้ความรักความเอ็นดูกับลูกที่มาจากพนานราฮิลราฮิลในไบเบิลคือราเชลก็คือยูซุปกับบินยามีนมันก็จะมีะเขาเรียก ว, ว่าความอิจฉาอะไรบางอย่างระหว่างพี่น้องด้วยกันนาไปสู่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ เอาแบบอันนี้เป็นปูพื้นฐานเห็นภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวคร่าวๆนะท่ า, านาาดูในอิสราเอลียาสแถบนิดหนึ่งในไบเบิลเนี่ยนะครับในอิสราเอลียาสเนี่ยเชื่อประวัตินบีบางทีเนี่ยภาพที่ออกมาไม่ค่อยดีเช่นนบียากุปเนี่ยอยู่กับพี่กับทะเลมาอยู่กับพอตากัทะเลกับพอตาต้องแยกพื้นที่ไปอีกอันนี้จริงมาจริงว่าเร า, าละล้ำแต่ว่ามุสลิมเนี่ยพยายามที่จะมองว่าพยายามที่จะปกป้องลักษณะของท่านนาบี และหลายครั้งเนี่ยนะครับบรรดานับีเวลาไปปรากฏอิสราเอลียเนี่ยไม่ดีเลยเช่นนับีฮารูนแบบนี้เป็นนับีแต่เป็นปั้ลูบวัวก็อ่านนี่ออกมาปกป้องว่าอบดีฮารูมไม่ใช่ปั้นรูบัวนะที่คนกล่าวว้ชื่อซามิรี่ก็อ่านนี่ออกมาปกป้องบรรดาิสราเอลแต่ว่าในคำพิสูจนบรรดาิสราเอลเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยลักษณะาบางอย่างไม่น่าเกิดขึ้นกับบรรดานับดเบีเขาก็เล่ากันมา ฉะนั้นบละอา่านอิส อ, อิลียาจะเป็นคำพีของความเชื่ออรุณกิตาก็แล้วแต่ฟังในฐานะที่เป็นข้อมูลเพิ่มอาจจะจริงไม่ได้ไม่จริงก็ได้นะครับเป็นข้อมูลเสริมกลับมาที่เนื้อหาในอายาที่81เนี่ยนะครับเอเลสตาด้วยว่าเยรยูอุ อ, อ, อิลาอาบีกุ้มจงกลับไปหาพ่อของพวกท่านก็อ่านี่เป็นคำพูดของลนะ่อนาแต่เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง คำพูดตรงนี้จะเป็นคำพูดใครเอ่ยเป็นคำพูดของพี่ชายคนโตโรบินพี่ชายคนโตสุดเลยจากแม่ที่หนึ่งเนี่ยนะคนที่บอกว่าถ้าบินญามินออกมาไม่ได้ฉันไม่มีหน้าไปพบพ่อฉันจะอยู่ตรงนี้แหละอายไม่กล้าจะพบพ่อจนกว่าเราจะตัดสินจังหัวพ่อชดใช้ภยัยไม่งั้นฉันจะไม่ออกไปโรบินกล่าวกับพี่น้องทั้งหมดเลยเป็นพี่คนโตก็เป็นหัวหน้าคณะให้กล่าวว่าเอลยูอูอีลาอาบีกุ้ม โ่ท่านทั้งหลายเก้าคนที่เหลือเนี่ยบิยามีนติดอยู่ไปไม่ได้ยูซุปหายไปฉันก็อยู่นี่ตอนนี้เหลือเก้าคนเก้าคนเนี่ยจงกลับไปหาพ่อของท่านก็คือท่านนบียัูหัวกูลูกลับไปเนี่ยให้พูดแบบนี้นาะยาอาบานาโอ้พ่อจ๋าพ่อของเราอินนับนาค่าสาระกะ็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกของท่านเนี่ย ได้ขโมยลูกก็คือบิยามีนวะมาชะฮิตนาอิลลาบิมาอาลิมนาเราเนี่ยนะครับไม่ทราบอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เราเห็นเหตุการณ์เบื้องหลังเนี่ยไม่ทราบเป็นยังไงแต่ที่เห็นคือหลักฐานของที่หายไปไปปรกากฏในย่ามของบิยามีนวามากุลนาเล่นร้อยบีฮาฟิซินนะครับฮาฟิซิน ในนี้ครับแปลว่าผู้เก็บความลับแต่ว่าในตัฟซีดฮาฟิซีตัวนี่แปลว่าไอิลุนแปลว่าของที่เห็นชัดคือหลักฐานการขโมยไปโผลที่บิญญามีนแต่ขอนจะเป็นร้อยเป็นความเล่นลับเบื้องหลังเหตุการณ์ตรงนี้เราไม่ทราบในสำนวนตัฟซีดแปลแบบนี้ไปบอกกับพ่อแบบในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ทําไมล่ะพ่อๆนั่งตั้งประเด็นไว้แล้วก่อนจะมาเนี่ยว่ากลัวว่าเอาบิญญามีนมาแล้ว บิญจมินจะไม่ปลอดภัยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆไม่สามารถเอาบิญจมินกลับไปได้จะไปบอกกับพ่อยังไงหลักสาบงสาบานกันเต็มที่เลยสุดท้ายทําไม่ได้ทำํำยูซุปหายไปคนหนึ่งวันนี้ทําบิญจมินหายไปคนหนึ่งแล้วพ่อจะคิดยังไงโรบินเลยบอกว่ากลับไปหาพ่อบอกแบบนี้เลยไอ้เรื่องภายหลังนาะยไม่ทราบหรอกแต่ที่ชัดๆคือไปเจอว่าสิ่งของที่หายอยู่ในย่ามบิญจมินบิญจมินก็เลยถูกกักตัวไว้ นะนักตัดสีก็พยายามอธิบายต่อไปว่าเอ๊ะทำไมโรบินถึงพูดแบบนี้เพราะว่าทําไมล่ะลักษณะของบิญญมีเนี่ยโดยศาสนาเด่นๆ เ, เลยคือเป็นคนดีนะแล้วก็ไม่ใช่คนขี้ขโมยแล้ววันนี้อยู่ดีมาขโมยคนไม่เคยขโมยเลยพี่น้องเป็นพี่น้องกันมาอยู่เดียกันมาเนี่ยรู้จักกันดีอยู่ดีขโมยเราก็จะสงสัยว่าแล้วมันขโมยได้ยังไง เบื้องหลังไม่ทราบแหละแต่หลักฐานคือไอ้ของที่หายไปอยู่กับมันเนี่ยนี่คือคำพูดของของคาร์ินบอกกับพ่อตัวโตอย่างนี้แหละว่าของที่เห็นคือหลักฐานมันมันชี้ชัดแบบนั้นแต่คอที่เป็นก้อยขัวมาคุณาลื่นก้อยบิฮาฟีซีนเราไม่ทราบฮาฟีซินตรงนี้อธิบายว่าอาลิมเราไม่ทราบว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไง แต่จริงๆมันก็มีเบื้องหลังจริ ง, เ บ, ง, งเบื้องหลังก็คือนบียูซุฟแต่พวกนี้คิดไม่ถึงเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยูซุฟที่หายไปหลายปีวันนี้กลับมานี่ยังจำนบียูซุฟไม่ได้นะว่าเป็นนบียูซุฟต่อมาในอายะห์ที่แปดสิบสองเวลากลับไปบอกพ่อแล้วเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แบบนี้นะเบื้องหลังเราไม่ทราบถ้าพ่อไม่เชื่อวอสอารินก็ระยะให้ไปถาม คนในหมู่บ้านชาวเมืองต่างๆดูอัลตีกุนาฟีฮาวันวันอีรันลตีอักบันาฟีฮานะให้ไปถามถ้าไม่เชื่อนะว่าเราเป็นแบบนี้นะให้ไปถามชาวเมืองแล้วก็กองคาราวานซึ่งเราเดินทางมาด้วยว่าอินนารซอดิกูลว่าเรานั้นเป็นผู้ที่พูดความจริง ถ้าพ่อพูดแค่นั้นพ่ออาจจะไม่เชื่อถ้าพ่อไม่เชื่อไปถามเลยมีพยานนะทั้งชาวเมืองที่เราเดินทางผ่านทั้งกองคาราวานที่เดินทางด้วยกันไปถามพวกเขาสิว่าเราหนังโกหกไหมจากอายาที่82พี่น้องถ้ามองให้ลึกเราจะเห็นภาพการเดินทางของคนในสมัยนั้นนบียากุูปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปาเลสไตานาบียูซุปอยู่ที่อียิปต์นะครนี้การเดินทางตรงนั้นเนี่ย เขาไม่ได้เดินทางมาเดียวๆเขาเดินทางจับกลุ่มกันมาแล้วก็เดินทางพร้อมกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพวกกองคารวานนะพอขาเดียกันเนี่ยไม่ได้ขายของชิ้นเดียวกันแต่ว่าออคนนี้ออกเมื่อวานผมออกวันนี้อีกคนแยกกันออกมันจะมีอันตรายเกิดขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนนาะนทางมันไกลโจรก็มีขโมยก็มีก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนก้อนใหญ่กลุ่มใหญ่แล้วก็เดินทางไปพร้อมกัน ไปไหนป้าหมายเด็ก็ไม่เอาป้าหมายเดียวกันเดินต่ไปด้วยกันอาจจะคนละเป้าหมายแต่ว่าของขอผมถึงก่อนก็ขอแยกก่อนแนละ้วกันอิจคุณจะไปต่ออิทธิโอเปียกันต่อไปกันแล้วแต่ฉะนั้นภาพที่การเดินทางในตอนนั้นเนี่ยก็อ่านก็เล่าบอกเป็นนัยยะให้เราเห็นภาพว่าเวลาเขาเดินทางไปอิจฉาเดินทางแบบไหน น, นะการที่บอกว่าวัสอเลนกา ร, รยะให้ไปถามชาวหมู่บ้านชาวเมืองดูเนี่ยแปลว่าการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ทีเดียวจบเลย ขอรปัจจุบันได้เลยขึ้นรถตูดดถ้รถทัวร์อหมอชิดตู้เดียวถึงหัดใหญ่ถึงสุไหยโกลกทีเดียวจบแต่สมัยก่อนไม่ใช่มันช้าเวลาเดินทางก็ค่อยเดินทางเนี่ยก็จะมีการแวะพักที่หมู่บ้านชุมชนแล้วก็เมืองระหว่างทางการที่กองคารวานไปแวะตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะเติมน้าเติมสเสบียงอา้าวขอที่พักมีปฏิสัมพันธ์กับชาวเมือง ชาวเมืองก็จะทราบว่าไอกองครารวานนิสัเป็นยังไงเช่นขี้เหนียวไมโกงราคาไหมอา่าเวเสบียงอาหารเป็นยังไงสร้างปัญหาไหมเมากันทะเลาะ ก, กันไหมของแบบนี้เนี่ยคนก็จะทราบกันนะเรบินเนี่ยบอกว่าถ้าพ่อไม่เชื่อไปถามดูชาวเมืองระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยเราเป็นยังไงหรือว่าไปถามกองครารวานที่เดินทางด้วยกันด้วยก็ได้ว่าเราเป็นคนยังไงเราคือคนที่คนที่สัจจริง กูอ่านแช่คําแค่สองคำแหละกรรคาราวานกับกับชาวเมืองสะท้อนภาพว่าการเดินทางในสมัยนั้นเป็นยังไงแวะพักเป็นจุดๆแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนใหญ่เดินทางในกรรคารวานเดียวกันการเดินทางเดียกันในพี่น้องมีแง่คิดแบบนี้เวลาที่เราอ้างว่าเรารู้จักใครไหมเนี่ยนะครับจะแน่จะได้ไงว่ารู้จักกันไหมผมกับพี่น้องเนี่ยเจอกันอาทิตย์วันอาทิตย์ รู้จักกันไหมพูดยากคนจะรู้จักกันเนี่ยพี่น้องหนึ่งคือเป็นเพื่อนบ้านคนบ้านตีกันเนี่ยถือว่านับแต่ ว, ว่ารู้จักกันจริงเพราะทําไมล่ะความดีความไม่ดีเนี่ยบางทีข้างนอกไม่เห็นแต่งตัวดีแต่ไปในบ้านทุกตีภรรยานี่คนข้างบ้านทราบไหมทราบไม่เคยเลี้ยงลูกเลยกลับบ้านดึกคนข้างหลอกทราบไหมไม่ทราบแต่คนข้างบ้านทราบฉะนั้นเวลาที่จะอยากทราบว่าใครเป็นยังไงเนี่ย ให้ถามเพื่อนบ้านนาเวลาลู ก, ลกชายเข้ามาขอลูกสาวเราเนี่ยเป็นคนดีไม่ดีเนี่ยถ้าไปถามเพื่อนมันเพื่อนมันก็ชมมาสิถามเพื่อนบ้านบ้านอยู่ติใครไปถามเพื่อนบ้านไอ้คนคนนี้เป็นยังไงดีไม่ดีอันที่สองที่เห็นชัดคือคนที่เคยเดินทางด้วยกันจะทราบวออ่าเป็นยังไงนี่เหมือนกับในอายันนี้เลยไปถามคนที่เดินทางด้วยกันในกองคารวานจะทราบว่าเป็นยังไงลักษณะาบางอย่างนะี่ยพี่น้องเห็นกันชั่วร์ข้าไม่ทราบ พูดพ่อพูดดีแต่ถ้าเดินทางโดยกันารทราบเลยเช่นไปฮั ด, ด้วยกันทราบเลยเป็นคนพูดเพ่อแต่เรื่องเยอะจะกินได้ทีเรื่องเยอะอ่าเป็นคนพูดเพ่อแต่ว่าเห็นแก่ตัวไม่ค่อยเชื่อเหลือคนลักษณะตัวนี้ออกมาตอนไหนออกมาตอนที่เดินทางไกล้วยกันไม่ต้องไปทำฮัตกันแต่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยสองวันสามวันเห็นลนักษณะ นาะยกของเอา้ายกแต่กระเป๋าตัวเองกระเป๋าคนอื่นก็ไม่ช่วยนะคนแก่คนใดไม่ช่วยเลยลักษณะตัวนี้มันจะสะท้อนออกมาถ้าอยากทราบว่าใครเป็นยังไงนะไปถามเพื่อนบ้านไปถามคนที่เคยเดินทางร่วมกับเขาเราจะทราบว่าลักษณะนิสัยจริงๆเป็นยังไงเราบินทราบว่านบียากุบถ้าบอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบเนี้ยนบียากรุปไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อไปถามพยานดู ชาวเมืองที่เราเดินทางผ่านแล้วก็กองคารวานนะครับนี่คือสิ่งที่โรบินนั้นทําไมเอ่ยสั่งกับพี่น้องอีกเก้าคนไว้เพราตัวเองไม่กลับไปแล้วนะเก้าคนที่จะกลับไปหาพ่อและจะไปบอกพ่ อ, อยังไงเนี่ยมาสิบเอ็ดกลับไปเก่าวิ่งน้องที่ดูนบิยากรุ่มเนีปวดใจนะสถานการณ์น่ยมันมีลูกสิบสองคนหายไปคนหนึ่งยู่สุดคนที่รักที่สุดไอพี่บอกว่าถูกมะาปากกิน ซึ่งนา บ, บิยา ก, การุโ ก, โก็ทราบว่าโกหกเพราะหลักฐานที่นํามาเลือดเสื้อที่มันติดเลือดเนี่ยมันไม่ขาดโกโหกเสียใจมันเสียใจก็เลยเก็บลูกคนสุดท้องไว้บิญจามินเก็บไว้กับตัวเองเหลือสิบคนไอ้สิบคนนั้นวันดีคืนดีมาขอบิญจามินเดินทางไปด้วยเพื่อจับเอาซาเบียงน บ, บิยากรุปก็กลัวว่าไอ้คนสุดท้องจะมีอันตรายตอนแรกจะไม่ให้คนนี้ก็สาบานสัญญากันทุกอย่างโอเคไปสิบอคน 12บสองเหลือสิบเอดนะน่ะไปสิบเอ็ดคนขากับเหลือเก้าคน้องนิดดูหายไปสองคนบิยามีนถูกจับที่อียิปต์โรบินพี่ชายคนโตไม่มีหน้ากลับมาพบพ่ออ้อาวเหตุการณ์เป็นแบบนี้ถ้าพี่นเป็นนบียะกุ้มในบดพี่น้องจะคิดยังไงจากส2บสองเหลือสิบเอ็ดจากสิบเอ็ดหลือเก้านะครับในอายะห์ที่แปดสิบสามเนี่ยเหตุการณ์ตัดมาแล้ว 81กับ82เหุการอ ย, อยู่ที่อียิปต์โรบินพี่คนโตสั่งกับพี่น้องเก้าคนว่าถ้ากลับไปเจอพ่อให้พูดแบบนี้อายะห์ที่83เนี่ยเป็นคำพูดของของนบีนบียากุปแปลว่าเดินทางกลับมาแล้วพอกลับมาแล้วนับดูอา้าวไป11เหลือ9ใครหายบบญเยมีนหายคนที่ห่วงที่สุดหายมีแถมอีกโรบินพี่ชายคนโตหายอีกนบียากุบก็เลยบอกว่า ก็ละนี่คือคำพูดของน บ, บียกรุมนะครับบันซาวลัดละกุ่มอันฟุซะกุ่มอัมรอพวกท่านแต่งเรื่องขึ้นมาไม่จริงเลยเนี่ยพราะวันี้กลับมาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าอ้วน บ, บียกูุ่มาตัต้งถามว่าบิญญามินไปไหนล่ะอ๋อบิญญามินกลับมาไม่ได้แล้วทําไมล่ะขโมยของแล้วน บ, บียกรุ่มเป็นพ่อทราบนิสัยลูกดีบิญญามินมาไม่เคยขโมย ถ้าอยู่ดีมันหายไปหายเพราะอะไรเพราะมันขโมยของน บ, บิยะกุ้ไม่เชื่อเลยเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทําไมเอ่ยพวกท่านแต่งขึ้นมาถ้าบอกเบย์มินหายอย่างอื่นยังพอเชื่อหายเพราะขโมยของเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะลูกฉันเนี่ยไม่ใช่คนขี้ขโมยนี่เหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนึงคือ เหตุผลที่ให้เบย์เบียนขโมยของเป็นไปไม่ได้ประเด็นที่สองการที่พี่น้องทําแบบนี้เนี่ยมันไปสกิดคดีเก่าซึ่งน บ, บียะกุูบเจ็บอยู่แล้วทำไมยูซุปหายไปละ่ะหมาป่าเอาไปกินโกหกซึ่งโกหกแล้ววันนี้เหตุการณ์ข้ออ้างตรงนี้ยิ่งโกหกไปใหญ่แต่ว่าในทางการณมันเป็นจริงแ่ะเบย์เบีนถูกก็าหาขโมยจริงแต่น บ, บียะกุูบไม่เชื่อแล้ว คณะที่บอกนายยูซุปถูกมาป่ากินยังไม่เชื่อเลยนะและมิยามียนขโมยของเนี่ยยิ่งเป็นไปได้ยากกว่ายูซุปถูกม้าป่ากินอีกยิ่งไม่เชื่อไปใหญ่เลยพอไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่พี่น้องเคยทําเนี่ยในอดีตต่างกันยิ่งไม่เชื่อไปใหญ่เพราะมันเคยทําแบบนี้มาแล้วเคยโกหกมาแล้วหลายประเด็นในซึ่งไม่น่าเชื่อแล้วนําซ้ําตอนนี้ยูซุปกับมิยามีนซึ่งเป็นพี่ น้องคนละแม่เนี่ยทราบว่ามีความอิจฉาภายในครอบครัวถูกกําจัดทิ้งทั้งคู่เลยนบียากรุปยิ่งไม่เชื่อไปใหญ่นึกภาพออกไหมนบียากรุปนี่เจ็บหนังถูกทดสอบเยอะนะครับเวลาเราพูดถึงชีวประวัติเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงการทดสอบของนบียากรุปเวลาพูดพูดแค่ว่านาบียากรุปเสียลูกชายนาบีซุปแล้วก็เสียใจแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้เสียแค่ยูซุปนะเสียบิญยามีนด้วย และก็เสียใจด้วยที่ลูกโกหกลูกหลอกแบบเนี้ยความรู้สึกพ่อเสียใจมากเดี๋ยวเจ้าจะเล่าต่อไปนะครับฟาซอปัตุลยาหมินนี่เป็นคําพูดของนาบิ ย, า, บยากูฟาซอบัุลยาหมินการอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเวลาที่เราจะปอบใครเนี่ยพีย่น้องซอบรุลยาหมินการอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียาหมินจริงๆแปลว่าสวยการอดทนสวยมันจะดูปะแปลก การอดท น, นเป็นสิ่งดีเป็นคําพูดของนบียากรุปคนซึ่งอดทนต่อการทดสอบเยอะมากพี่นอ้องเพราะอบรุนเฉมีนนะขณะนี้ถ้าเราจะมองให้ลึกวิเคราะห์ตัวนบียะกรุปต่อไปเนี่ยนะครับนบียะกรุปเนี่ยมีเขาเรามีปัญหากับพี่ชายมาก่อนนะความรู้สึก ในครอบครัวเนี่ยบางทีเป็นความรู้สึกอยู่ในใจมีปัญหากับพี่ชายมีดูมีดีดแล้ววันนี้ก็มาเห็นลูกของตัวเองมีปัญหาระหว่างพี่น้องด้วยกันเองอีกอันนี้เป็นเราไม่จินนาการไม่ออกนะบียะกูเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าถ้ามองดูชีวรประวัติแล้วเนี่ยตรงนี้ไปสร้างความเคยอสะเทือนใจกับนบียะกูนะครับนบียะกูอดทนอัลลอฮฺ ในขณะที่อดทนก็ยังไม่หมดความหวังนะหวังว่าอัลลอ์นั้นทำไมเอ่ยอายะติยานีบิฮิมยะมีอาหวังว่าอัลลอ์จะนำพวกเขากลับคืนมาหาฉันทั้งหมดเลยพวกเขานที่นี้ในมาใชายสองแล้วเป็นสามแล้วเพราะลูกสิบสองคนตอนนี้เหลือเก้าคนอดทนเสียใจแล้วก็ไม่สิ้นหวัง หวังว่าอัลลอฮฺจะพาพาลูกทั้งหมดกลับคืนมาหาฉันทั้งหมดทั้งยูซุฟที่หายไปหลายสิบปีแล้วทั้งบินยามีนที่เพิ่งหายไปทั้งโรบินที่ไม่ได้กลับมาทั้งสามคนนี้หวังว่าอัลลอฮฺจะทาไมเอ่ยนำพวกเขากลับมาหาฉันคนเป็นพ่อนะพี่น้องอินนหูฮวนอาลีมุนฮากีมแน่แท้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่อาลีมเป็นผู้ที่ทรงทราบยิ่ง ตอนนี้ไม่มีใครทราบยูซุปอยู่ไหนแต่อัลลอฮ์ทราบตอนนี้ไม่มีใครมีพลังอำนาจที่จะนํายูซุปมาคืนเพราะยูซุปอยู่ไหนยังไม่ทราบเลยแต่อัลลอฮ์มีพลังมีอำนาจมีความสามารถเพราะว่าอัลลอฮ์คืออันอาลีมเวลาที่เราดูพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลอาลีมอันฮักีมอรฮีมเนี่ยให้มองให้ลึกให้ศรัทธาตามความหมายนั้นอัรฮีมในผู้ทรงเมตตาเนี่ยนะครับผู้ทรงปาณียิ่งอย่างเงี้ย ถ้าเาพิจารณาลึกๆเนี่ยเราจะซึ้งว่าอัลลอฮ์ทรงปาณีเราจะไม่สินหวังเลยพี่นอ้องคนอื่นว่าเราดีไม่ไม่ดีเลยแบบนู่นแบบนี้แต่ว่าคนอื่นว่าก็ว่าไปแต่อัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาอัลลอ์เป็นตาว่าสิ่งนี้เคยทำผิดสมัยหนุ่มตอนนี้ไปขอโทษคนฉันฉันขอโทษจะขอมาอับคนในหมู่บ้านมาแห่ภัยเลยทำไว้ยเยอะ แต่อัลลอฮ์คือตา ว, ว่าคนอื่นไม่รับการตาวัดไม่รับการกลับเนื้อกลับตัวแต่อัลลอฮ์คืออัตตา ว, ว่าเป็นผู้ที่รับการกลับเนื้อกลับตัวอย่างยิ่งนี่คือลักษณะของอัลลอฮ์นะคนอื่นไม่ลักษณะ ส, สู่อัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ลักษณะสมบูรณ์ที่สุดเช่นเดียวกันอัสซาเมียเป็นผู้ที่ได้ยินยิ่งเสียงที่พูดไปในปิโ น, นเวลาถูกจอเล่มถูกอาธรรมเนี่ย บางทีหัวเดียวก็ทีมรีบคนในสังคมรุมหมดเลยบางคนก็ต่างใจบางคนก็ไม่พอใจพูดไปเสียงที่พูดจะพูดไปได้แต่ดังไม่พอได้ยินไม่ถึงคนอื่นสังคมไม่ความสนใจแต่อัลลอ์คืออัสเามีแต่อลัอออลลอฮ์ได้ยินเสียงตรงนั้นนี่คือการศรัทธาต่อลนะักษณะพานามล้วก็ลักษณะของอัลลอฮ์เช่นเดียวกับนบีากุบอละลัยฮิสลาามครับตอนนี้ยูซุฟอยู่ไหนไม่มีใครทราบ ทางออกจะแก้ปัญหายัางไงไม่มีใครทราบแต่อัลลอ์จะทราบเพราะอัลลอฮ์คืออันอาลีมเมื่ออัลลอ์ทราบแล้วมันมีความเป็นไปนได้ที่ลูกทั้งหมดจะกลับคืนมาเพราะอัลลอฮ์คืออันฮะ ก, กีมท้ายอญญายะเนี่ยอัลลอฮ์คือผู้ที่ปีชาสามารถนาบิยากุบจะไปพึ่งใครลูกหายไปสามคนนะ แต่ไม่หมดหวังเพราะคนอื่นช่วยไม่ได้แต่อัลลออันฮะกีมอัลลอฮเป็นผู้ที่ปีชาสามารถนี่คือท่านนบียกูุปอละลัยสลามสาะท้อนลักษณะบางอย่างซึ่งน่าศึกษาและกนาปฏิบัติตามมนุษย์ปีน้องถูกทดสอบทุกคนแหละและแต่คนรวยคนจนสวยไม่สวยเนี่ยถูกทดสอบมากันหมดเวลามาดูนบียกุแล้วถูกทดสอบแล้วอดทนอดทนแล้วไม่หมดความหวัง ทำยังไงไม่หมดความหวังบางคนก็หาหานังสืออ่านวิธีสร้างแรงบันดาลใจบางทีอยากให้คนปลอบก็เป็นวิธีการได้วิธีการหนึ่งซึ่งมีผลต่อมุสลิมมากก็คือว่าให้กลับมาดูพระนามและคุณลักษณะของขอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์มีหมดเลยพี่น้องนะอันวดูดแบบเนี้คนอื่นอาจจะเกียดเราแต่อลัลลอฮ์เป็นผู้ที่รักมีความรักอย่างยิ่งให้กับบ่าว บาจะไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาศรัทธาไม่ศรัทธากันแล้วแต่อลลรรักยิ่งนะเวลาไปมองพรนาของรอดแล้วพี่น้องมีความหวังในขณะเดียวกันเราก็พบว่าศาสนาของรอดเนี่ยบางทีเนี่ยก็ชดีตุนอิกรเป็นผู้ที่ลงโทษอย่างนหนักหน่วงมีแบบนี้เหมือนกันมันมีคุรศาสนาบางคุรศาสนาพี่น้องเยอะเหมือนกันแหละเ ว, วลาไปดูแล้วเนี่ยให้ความหวังกับผู้คนคนอื่นช่วยไม่ได้แต่อรรมีความสามารถ อันอาซีซอันฮั ก, กีมปีชาญนยิง่งอัลซาเมียอันบาซีดใครไม่เห็นอันลลอฮ์เห็นอ่าเห็นแบบเนี้ยนะครับใครไม่ให้โอกาสตาอัลลอฮ์ให้โอกาสในการกลับตัวอัลตวาวะในบียร์กูปเป็นแบบนั้นเลยนะครับหลังจากที่พูดแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับในอนยายะที่แปดสิบสี่วัตวันละอันหุมนบียร์กูก็ปีกตัวออกมา เหตุการณ์มันเป็นพี่น้องนึงก็เป็นฉากกันนะแปดสิบเอ็ดแปสิบสองโลบินหอกกับพ่อเหตุการณ์อยู่ที่อียแปดสิบสามข่าวคนเดินทางกลับมาบอกกับพ่อเป็นแบบนี้พ่อไม่เชื่อแปดสิบสี่วัตตวันละอันพุมแยกตัวออกมาฉากอยู่ที่บาเลสตาแต่นบียากุูปปิดตัวออกมาอยู่คนเดียวลูกไม่เกี่ยวแล้วพอนาบียากุูปอยู่คนเดียวเนี่ยหัวกอล่นาบียากรูปกล่าวแบบนี้กล่าวกับตัวเองนะ ยาอาซาฟาอลายูซุฟภาษาไทยก็แปสวยมากโอ้อานิจายูซุฟเอ๋ยคือเสียใจอุทานมาโดยความเสียใจเสียใจอย่างยิ่งนะครับภาษาไทยผมก็นึกไม่ออกจะกแปลว่าไงแปลตามเข้าไปก่อนโอ้อานิจายูซุฟเอ๋ยวับยอบดอตไอนาฮูตาของเขาทั้งสองข้างเนี่ยขาว ตาขาวแต่แปลภาษาไทยแปลว่าขี้ขาดแต่ น, นยายกุ๊กอ่านไม่ใช่ตาขาวในที่นีน้นัตตสิทธและหลายท่านอธิบายว่านบียากุน๊นมีตาบอดร้องไห้จนกระทั่งว่าตาเสื่อมและก็มองไม่เห็นบางคนบอกมาถึงก็บอดหรอกแต่ว่าไอ้การ ม, มองเห็นมันอ่อนลงตรงนี้สแสดงให้เห็นว่าทําไมเออนบียากุบมีความเสียใจมากเสียใจมากร้องไห้จนกระทั่งว่าตานะ่ยเป็นแบบนั้นอายุเยอะด้วยนะ แน่นะดการความเสียใจมันกัดก่อนจิตใจตั้งแต่สมัยก่อนในตั้งกีสิปีมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและเหตุการณ์ก็เกิดซ้ําไปซ้ามานาบียะกุมเป็นผู้ที่เสียใจเศร้ามีความมีความเศร้าในใจนะครับจกนกระทั่งวาตาเนี่ยตามันยังไงล่ะก็เห็นคนตาบอดบ่าละ่ะตามันจะมีไม่มีประกายบางคนบอกนี่คือการบอกว่านาบียะกุมในตาบอดร้องไห้จกนกระทั่งตาบอด ต่ที่แน่ๆคือเสียใจเยอะจะบอดไม่บอดบอดสนิทหรือว่าเห็นลางๆเนี่ยแต่ว่าแน่ๆคือเสียใจเยอะจนกระทั่งมันแสดงส่งผลกระทบต่อดวงตาของทงนายบียากู s. <S. ุปอะเลสซาามวบยอบดอตไอนาหูมินันฮุสนีที่ตาเป็นสีขาวเนี่ยไม่ใช่เป็นต่อกระจกลัว อ, อะไรก็แล้วแต่นะมินันฮุสนี่สาเหตุมาจากความเสียใจวะหูวะกะจีม และเขาเป็นผู้ที่ทําไมเอย่ยเป็นผู้ที่อดทั้นกรซีมนี่แปลว่าใช้กับความเสียใจกระดาใช้กับความโกรธก็ะดาใน อ, อัลกุรอานพูดถึงลักษณะตรงนี้ไว้ว่าถ้ามีความโกรธเนี่ยไม่ได้ห้ามโกรธนะแต่ว่ากาเซบุนกอรบีกอรด์ดอบีนะครับก็คือว่าโกรธในใจนะโกรธแต่เก็บความโกรธไว้ไม่ระเบิดออกลักษณะแบบนี้กุรอานยกย่องชมเชย ชิดเดียวกันกับความเสียใจพี่น้องเสียใจแต่ว่าการีมเก็บกดเก็บกั้นตรงนี้ไม่ได้เก็บกดแบบมีปัญหาด้างชินนะอดกั้นเก็บมันไว้เสียใจไม่เสียใจมีสิทธิ์จะเสียใจแต่เก็บไว้ในใจนะครับเน่ยนบียูซุปนบียะกุบไม่ได้ฟูงฟานนะแต่แยกตัววัตวัณลาอันหุมไม่มีใครทราบนบียะกุบเป็นแบบนี้ลูกไม่ทราบหรอกเพราะความเสียใจที่แสดงเนี่ยแสดงออกคนเดียว ปีกตัวออกมาแล้วก็เสียใจลำพึงลำพันถึงยูซุฟนะครับร้องไห้จนกระต่งกวาตาเป็นสีขาวกอลูพี่น้องกล่าวว่าตลัลลอฮีขอสาบานต่อละสาบานต่อมีวัลลอฮีด้วยนะแล้วก็มีตลัลลอฮีด้วยแต่ตะอตูตะตะกูยูซุฟะฮะ ต, ตาตะกูน่าฮารอดอนเอาตะกูน่ามีนันฮาลิกีน นบียะกู ป, ปกติเวลาที่เสียใจร้องไห้จะแยกตัวออกมาคนเดียวเศร้าอยู่คนเดียวภาพนางสาสนะพี่น้องคนอายุเยอะแล้วก็เสียใจเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวนะแต่ลูกเนี่ยไม่ใช่ไม่ทราบนะในอายะห์ที่แปดสี่ห้าอธิบายว่าสแสดงภาพเห็นว่าแม้ว่าโดยปกตินบียะุูปจะเสียใจอยู่คนเดียวแล้วแต่ลูกๆในครอบครัวก็ทราบมาร้องไห้อยู่คนเดียวลูกในในบ้านสบายทราบ แอบยังไงกระซับนะในบ้านพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกทะเลาะกันคนนี้ร้องไห้เนี่ยมันแอบร้องไ ห, ห้พ่อทราบทบลูกตัวเองคนในครอบครัวเราทราบว่าใครเป็นยังไงแม่เขาว่าจะแอบไว้ก็ตามลูกทั้งทั้งหมดเนี่ย ก, กรูต้อน้อยทขอทราบบ้านต่อนร้อนะท่านยังเสียใจเกี่ยวกับยูซุฟอยู่เหตุการณ์ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วท่านก็ยังไม่ลืมยังเสียใจอยู่เอาตะกูลนบีดันฮาลิกีน จนกระทั่งฮาราดอนบิมานอามาราดอนแปลว่าเจ็บป่วยความเสียใจตรงนี้ทำให้ท่า น, นล้มป่วยสุขภาพาไม่ดีเอาตะกูลนั้นไนันหาหรือกีนหรือว่าเสียใจจนกระทั่งว่าจะเสียชีวิตจะตายก็ได้นะความเสียใจตรงนี้เนี่ยเสียใจจนป่วยเสียใจเจียนจะตายลูกสราไม่ทราบบอกกับพ่อแบบนี้ ยังยังไม่ตายแต่ว่าตอบตอมใ จ, มใจสแทสภาพที่ก็อ่านต้องการจะบอกก็คือว่าความเสียใจที่เกิดขึ้นกับ น, นบียะกูปเนี่ยหนักขนาดไหนเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะตอนจบเนี่ยความอดทนต่อความเสียใจตรงนี้ไม่สูญเปล่าลูกกลับมาทั้งหมดเลยพี่น้องตอนจบแม้กระทั่งยูซุปทีมคนอื่นไม่หวังแล้วแต่นบียะกรูปยังมีหวงังคิดดูตอนจบดีหมดเลยพี่น้องกลับมาอยู่เดียกันทั้งหมดและอยู่ด้วยกันแบบดีเลยนะ มีสถานะทางสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขในประเทศอียิปต์น บ, บียุซุปเอาพ่อเอาพ่อพี่น้องไปหมดเลยไปอยู่ที่อียิปต์ด้วยกันแล้วก็นน บ, บียุซุปก็ให้อภัยกับพี่น้องความสัมพันธ์ที่มีในครอบครัวกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเวลาพูดมันเหมือนนิยายง่า ย, ายๆตอนจบก็ Happy Ending แต่ว่าในรายล ะ, ละเอียดเนี่ยตั้งกี่สิบปีที่นบียากุ๊อดทนอยู่เสียใจอยู่แล้วก็ไม่เคยหมดความหวังภาพตรงนี้เวลาไปมอง อ่านอ่านโซลยูซุปจบแล้วกลับมามองรายละเอียดอีทีที่เห็นว่าระยะทางก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีความสอบบ้านมีความอดทนมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยก่อนที่อลอสจะตอบรับนะให้ทางออกกับเหตุการณ์ตรงนั้นตอนนี้ผมกับพี่น้องที่ถูกทดสอบอยู่อาจจะอยู่ในขั้นตอนนี้ก็ได้คนที่มีความเสียใจในตอนนี้พี่น้องเราอาจจะอยู่ในขั้นตอนในการทดสอบ จุดตอนจบซาบไาปไหมราบบางทีจบแบบเหตุการณ์ในซารอยู่ซุปจบด้วยดีคาดไม่ถึงนะถามวันเียะกุปตอนนั้นจะคิดถึงไหมว่าตอนจบเนี่ยมันจะดีขนาดนั้นดีที่ว่าลูกทั้งหมดกลับมาอยู่ด้วยกันอยู่ยังมีความสุขแล้วยูซุปคนที่ถูกเป็นจำเลยถูกทําทํานู่นทํานี่เนี่ยให้อภัยพี่น้องหมดเลยแล้วบรนอิสรออีนเนี่ยออกลูกเต็มไปหมดเลยพี่น้องมีลูกมีหลานตระกูลใหญ่โตไปหมด เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยที่ได้จากได้จากลูกหลานเนี่ยนบียากุกลายเป็นอิสรา อ, อีนนบียากุมีสองชื่อนะชื่อยากุกับชื่ออิสรา อ, อินเป็นต้นตระกูลบันีอิสรา อ, อีนซึ่งมีนบีเต็มไปหมดเลยในโลกนี้มีนบีอีคนใบสาวประมาณการยากแต่เขากะว่านาบีที่มีทั้งหมดครึ่ง น, นึงเป็นบันีอิสรา อ, อินมีเป็นวงวานได้มีความประเสริฐบันนีอิสร อ, อีน นะครับแล้วก็เป็นลูกหลังของนบียากูุแปลว่าสิ่งที่อดทนมาเนี่ยอลัลลอฮ์ตอบแทนในตอนท้ายนายะสุดท้ายในวันนี้ครับอายะที่36ก็แหละเขากล่าวว่านบียากูบนึกภาพนะปีกตัวออกมาคนเดียวแล้วก็เสียใจร้องไห้จนกระทั่งตาเป็นสีขาว แต่ว่าลูกก็เดินมาหาพ่อลูกหลายๆค น, นเดินมาหาพ่อใช้์คำวากรูพวกเขาหลายคนบอกว่าแม้ว่าพ่อจะปีกตัวออไปเสียใจร้องไห้คนเดียวแต่พวกเราก็ทราบนะว่าท่านยังไม่ลืมเรื่องของยูซุฟเสียใจจนกระทั่งท่านป่วยเสียใจจนทั่งตอมจะตอมใจตายลูกก็กล่าวพ่อก็กล่าวว่าในอายะที่แปดสิบหกนะครับ ก็ลเขากล่าวว่าเขาคือใครคือทานายบิญกุบอเลีสซลามอินนามะอัชกูบัสตีวาฮุสเนอิลลอห์แท้จินฉันเขาเรียกว่าร้องทุกอัชกูเนี่ยนะครับความเศร้าและความทุกของฉันเนี่ยบัสตีวาฮุสเนอิลลอห์ร้องทุกความเศร้าความเสียใจของฉันต่ออัลลอฮ์ว่าแกลมูมินอลลอฮี นะครับมาลาตะละมูลและฉันทราบเกี่ยวกับอัลลอ์ในสิ่งที่พวกท่านไม่ทราบหมายความว่าฉันทราบดีในความเมตตาในลักษณะในสีฟฟาของอัลลอฮ์ทำให้ฉันมีความหวังแต่พวกท่านนั้นไม่ทราบนาบียะกรุเป็นนบีไงความผูกพันกับอัลลอ์มากกว่าลูกคนที่คนที่เหลือที่ไม่ใช่นบีอัลลอ์เป็นยังไงอัลลอฮ์ให้ความอัลลอ์สามารถที่จะ ร้องทุกฟ้องต่ออัลลอฮ์แต่แปลเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยความเสียใจดีฉันมีเนี่ยฉันไม่ได้ฟ้องต่อใครฟ้องต่ออัลลอฮ์พราะฉันทราบว่าอัลลอฮ์ทาไมเอย่ยรับฟังในสิ่งที่ฉันทราบในสิ่งที่ฉันประสบนะหัะละมืมินน่งอัลลอฮ์ให้มาและตาละมืพอพวท่านไม่ทราบหรอกแต่ฉันน่ะทราบฮะญากว่าตรงนี้พี่น้องครับเราจะเห็นภาพของ น, นบีญากูุ๊อะลัยฮิสลามเป็นคนที่มี ได้รับการทดสอบนะมีความเศร้าความเสียใจเศร้าแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเลื้อดลังอ่ะเศร้ามานานแต่ว่าความเศร้าความเสียใจทั้งหมดไม่ได้ฟ้องต่อใครฟ้องต่อ Allah คนที่มีความเสียใจในปัจจุบันเนี่ยความเศร้าความเสียใจที่มีเนี่ยพี่น้องถ้าพูดต่อใครไม่ได้พูดกับลูกก็ไม่ได้ดกลัวลูกจะกระทบกระเทือนพูดกับสามีก็ไม่ได้สามีเสียสามีไม่เข้าใจ พราะบันทีไอ้ของที่ทะเลาะอยู่ทะเลาะกับสามีมีความเศร้าความเสียใจจะฟ้องใครละ่ะฟ้องคนนอกบ้านกระไอ้เขาเรื่องในครอบครัวพี่น้องฟ้องต่อหรให้ฟ้องต่อหรอแบบนบียะกุบอ ะ, ะละัยสลามบางทีเราอยากจะพูดอยากจะอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันไม่ได้ผิดนาฉันไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจทําไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันกลับเนื้อกลับตัวแล้วไม่มีใครฟังเลยพี่น้องไม่มีใครให้โอกาส ทำแบบนบีย عقو บอะลัยสลาหอินนามาอัชกูบัตซีวะฮุสนีอิลลอลความเศร้าของฉันความเสียใจของฉันอัชกูอิลลอลฉันขอฟ้องต่ออัลลอฮ์ร้องทุกต่ออัลลอฮ์ระบายต่ออัลลอห์นี่เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งนพี่น้องระหว่างบาวกับพระผู้เป็นเจ้าตอนนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมนบีน้องผมกับนบีน้องเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นบาคอล คำถามก็คือว่าความความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวเนี่ยพี่น้องกับอลอสเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบไหนบ้างพี่น้องกับอลอสสัมพันธ์กับอลอสแบบไหนบ้างหนึ่งพี่น้องละหมาดอา้าวโอเคละหมาดการสัมพันธ์กับอลอสนะครับถึงเวลาเดี๋ยวจะมีอใหญ่เชื่อกบปานอา้าวฉันก็เชื่ออลลอสให้สั่งสั่งให้เชื่อฉันก็เชื่อไม่ใช่วายิบนานแต่มีควาสามารถจะเชื่อทำพัดกรรทำ อันนั้นเป็นเรื่องอิบาดะสัมพันธ์ต่อรอดแต่ว่าในจังหวะของชีวิตเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเวลาพี่น้องดีใจประสบความสําเร็จในชีวิตพี่น้องก็รอดในสัมพันธ์กันแบบไหนบางทีขอบคุณทั่วไปหมดขอบคุณขอบคุณออกเฟตเลยแต่ว่าลืมมันทำดุลินละความสัมพันธ์มันมีหลายแบบเรื่องอิบาดะต่อรอดสัมพันธ์ดีไม่ขาดเลยแต่เวลาได้ความดีประสบความสาเร็จในชีวิตบางทีลืมที่จะกล่าวอัลฮัมดุลิลละ ความสัมพันธ์การรอดมันมีหลายแบบรักษาไว้พี่น้องอิบานได้รักษาไว้อันนั้นมันเป็นวายิบนะแต่ความสัมพันธ์จังหวะอื่นในชีวิตละ่ะเช่นลูกสาวแต่งงานได้ลูกเขยดีแบบเนี้ยเราดีใจแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเรากับรอดมีความสัมพันธ์กันไหมหรือว่าอยากจะได้งานดีพี่น้องหางานไปทั่วเลยจังหวะตรงนั้นเนี่ย ล้อกลอล้อมีการสัมพันธ์กันไหมมีการขอทุอ้าต่อล้อไหอให้ขอว่าฉันได้งานดีๆแล้วพอได้แล้วเนี่ยสัมพันธ์ต่อล้ อ, อยังไงนะอันนั้นคือจังหวะที่ใช้ความพยายามบางคนจะตั้งตัวนะพี่น้องออดจะ บ, บริษัทมาทาธุรกิจเนี่ยเจ๊งไม่เจ๊งไม่รู้นะเศรษฐกิจ ข, ขาลงแบบเนี้ยเสี่ยงเยอะพยายามทํานูน่ทนทํานี่ช่วงนั้นเนี่ยการล้อเป็นยังไงเรื่อง ลงทุนธุรกิจก็ลงทุนไปแต่ว่าเราขอรอดในช่วงนั้นเป็นยังไงขอดุอาต่อรอดไหมขอความสําเร็จต่อรอดไหมเมื่อสําเร็จแล้วสัมพันธ์กอรอดอย่างไงเช่นเดียวกันกานบียาคูเวลาที่พี่น้องเสียใจเนี่ยพี่น้องกอรอดเป็นยังไงโอ้ตรงนี้น่าถามมากนะคนดีใจได้ถึงอัลลอฮ์เยอะเหมือนกันแต่ว่าคนเสียใจได้ถึงอัลลอฮ์น้อยกว่า เวลาเสียใจในพี่น้องพี่น้องก่อร่องเป็นยังไงเราจะเห็นว่าบางทีคนโอกหักในค่าตัวตายนะเสียใจว่าอยังไงค่าตัวตายมุสลิมมุสลิมเป็นเป็นเป็นเนคะเอะไรว่าชนชาติไม่ใช่ชนชาติสิศา ส, สนิกชนซึ่งค่าตัวตายน้อยมากนะถ้าเราไปนับไปเรื่องมาเบิดที่ชุงพีชีพที่มีการดีความเกินเลยไปนเนี่ยเ อ, อเป็นนี่ทั่วหัวค่าตัวตายเนี่ยไม่ค่อยปรากฏในมุสลิมโอกหักค่าตัวตาย การฆ่าตัวตายมุสซิมไม่นิยมจะนํามาเป็นทางออกในการแก้ปัญหาบางที่นม่นเยอะนะในญี่ปุ่นเนี่ยงานวิจัยออกมาเยอะมากญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเยอะนะครับมุสซิมน้อยเพราะอะไรล่ะเพราะเมื่อพี่น้องมีความโกรธความเสียใจความเศร้าเนี่ยถ้าพี่น้องผูกกับอัลลอฮ์ได้นะไม่ฆ่าตัวตายสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมเอ่ยอัชคูบัสิีวะฮุสเนอลิลลอหเนี่ยจําประโยคนี้ไปเลยเลียนแบบนบียากรู สิ่งที่เกิดขึ้นความเสียใจที่เกิดขึ้นไม่มีใครเข้าใจเลยดังนั้นอัชกูบัสติวะฮุสเนาะอิลลัลฉันขอรองทุกต่ออิลลัลนะฟ้องใครไม่ได้ฟ้องต่ออิลลัลอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งระหว่างบ่าวกับกับพระผู้เป็นเจ้านะครับในทุกจังหวะของชีวิตในพี่น้องสัมพันธ์ต่อรอดได้หมดเลยในที่สันนบีบอกว่าเดินเดินไปแล้วถ้าแต่ขาเนี่ยขอตอาต่อรอดได้นะ หมายความว่าเราสามารถขอดุอาร์ต่ออัลลอฮ์เชื่อมระหวังเรากับอลัลลอฮ์เนี่ยได้ทุกจังหวะของชีวิตไม่ต้องเรื่องใหญ่อย่างเดียวเราซีนัมมีมาถึงขอดุอาร์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแค่เชื่ยวของเท้าแตะขาดขอดุอาร์ต่ออัลลอฮ์ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะกินก็มีดุอาร์กินเสร็จก็มีดุอาร์เข้าส้วมก็มีดุอาร์ออกจากส้วมก็มีดุอาร์ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดที่ออกจากปากนะดุอาร์คือสายสัมพันธ์ระหว่างบาวกับ อ, อัลลอฮ์ เวลาที่พี่น้องอ่านดวอาพี่น้องเชื่อมต่ออัลลอฮ์นะครับฉะนั้นดวอาเนี่ย อ, อ่านอ่านันดีแต่ว่าให้เราภูมิใจด้วยเวลาที่อ่านดวอาเนี่ยฉันเชื่อมต่ออัลลอฮ์นะเวลาจัดงานเลี้ยงพี่น้องสมมติผมเชิญมากินเนี่ยในที่นี้ประมาณหกสิบคนได้มาหมดเลยกินอาหารสำรับเดียวกันแกงเขียวหวานเดียวกันเมนูเหมือนกันจะมีกี่คนที่เชื่อมการกินของเขาต่ออัลลอฮ์คนที่เชื่อมคนที่อ่านดวอาก่อนกินอาหาร นึกออกไหมพี่น้องทํางานหน่วยงานเดียวกันเริ่มงานพร้อมกันมีกี่คนที่เวลาที่จะเริ่มการ บ, บิสมิลละมันแตกต่างนะเวลากินข้าวฮิสกีเนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยมีกี่คนที่เชื่อมความอิ่มที่ได้ตรงเนี้ยกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ฮิสกีคนที่เชื่อมคือคนที่คนที่พูดดูอาคนที่อ่านดูอาคนที่พูดถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละในพี่น้องฝึกให้ติดปาก เราด้วยลูกหลานด้วยเวลาประสบความสำเร็จอันทำดุลินละคนอื่นดีใจฉลองฉลองฉลองก็ได้ไม่ว่าแต่มุสลิมเชื่อมความสำเร็จตัวนี้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะอันทำดุลินละอะไรมาชาลล์หมายแม่เวลามีความอะไรที่มันสวยงามเชื่อมต่ออัลลอฮ์สำนวนที่เป็นอัลลอฮ์เนี่ยเชื่อไหมบิสมิลลาเนี่ยให้ติดปากกันพี่น้องจะขึ้นรถแต่บิสมิลลา ขอไม่ลดขึ้นไปไม่ทันขึ้นดีลถมันกรชากออกเริ่มต้นเดือพนามขออัลลอฮ์นะเช่นเดียวกันเนี่ยผมขอเน้นวันนี้นิดหนึ่งนะครับเหตุการณ์คือเมื่อมีความเสียใจเกิดขึ้นพี่น้องก็ต้องเชื่อมต่อล้องกันวิธีเชื่อมเยอะเปหมดพี่น้องจะขึ้นมาละมาฮายัดก็ได้ต้องคืนขอดุอาขอทางออกด้วยกับดุอาก็ได้ด้วยกัารก็อ่านกันได้ด้วยการยิมรุ่ลอกกัได้เชื่อมพี่น้องกับอัลลอฮ์ในทุกจังหวะชีวิตนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นตัวอย่างชัดกับท่านนาบียากรุบอะเลฮิสลามอ้าวในช่วงท้ายของเวลาผมทวนนิดหนึ่งนะครับเนื้อหาถ้าเป็นเอ่อถ้าพูดสั้นๆนะสองประโยคหนึ่งคือพี่น้องกลับมาจากอียิปต์แล้วก็มาบอกพ่อว่าปีญมีนไม่มาแล้วนะครับสองนบียะกรุบก็มีความเสียใจนี่คือพูดสั้นๆแต่ว่าพอเรามาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นอะไรเพิ่มเติม ในเนื้อหาวันนี้คนที่เด่นมากคือท่านนาบียกรุบอะลัยอิสลามเป็นผู้ที่พูดว่าฟะสอบรุญยามีนการอดท น, เ, นเป็นสิ่งที่สวยงามการอดทนมันสวยงามยังไงพี่น้องอธิบายอดทนมันสวยงามยังไงอดทนแบบอิสลามนะพี่น้องอดทนเพราะว่าหนึ่งการอดทนที่เราอดทนเนี่ ย, นนยบาปหายนะพี่น้องคนที่เป็นใข้ป่วยอดทนเนี่ย สิ่งที่ความราบาบ ท, ที่กระทบในดุญญนยาเนี่ยพี่น้องมันจะไปลบบาปเนะี่คิดเหรอสวยไม่สวยไม่ใช่ทนแบบถึกอ่ะถึกแบบวัวแบบควายไม่ใช่นะความอดทนในอิสลามสอบบัตรเนี่ยสวยงามเพราะว่าสิ่งที่มาประสบกับเราคือการทดสอบบาปหายไปสองมุสิบุวละอดทนเนี่ยไม่ได้ทนเพราะว่าเกิดมาทนเนี่ยไม่ได้ทนโดยดีนั่นเองแต่ว่าหนึ่งคือเป็นคําสั่งของอัลลอฮฺ ทูการในก็อ่านเยอะมากคําว่าสอบัตในประวัติท่านนาบีก็แล้วแต่ในนบีไหนก็แล้วแต่มีความสอบัตยเยอะมากฉะนั้นการสอบัตเนี่ยเป็นลักษณะรวมของอุมาอิสลามคนที่เป็นมุสลิมทําไมสอบัตเป็นมุสลิมไม่ได้คือลักษณะหนึ่งของอุมาอิสลามเลยเป็นผู้ที่มีความสอบัตสวยงามไม่สวยงามพี่น้องถ้าเรามาใชื่อสอบัตยอย่างเดียวคนที่เป็นมุสลิมพันกว่าลา้านคนทั่วโลกเขาก็สอบัตเหมือนกันสวยงาม นอกจากนั้นในความสอบัิความอดทนเรายังมีความหวังคนอื่นหมดหวังไปแล้วพี่นอ้องเพราะเขาไม่มีอัลลอฮ์แต่มุสลิมมีความหวังเพราะอัลลอฮ์มีลักษณะที่ทำให้เรามีความหวังเช่นอันอาลีมไม่มีใครทราบทางออกแต่อัลลอฮ์อาลีมอัลลอฮ์ทราบอันฮะกีมไม่มีใครทำอะไรได้แล้วเห็นการแบบนี้อัลละ์คืออันฮกีมอัลลอฮ์คือผู้ที่มีปีชาสามาถ ในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็นแล้วแต่แลอคืออัลซามีอันบอซีดอัลลอฮ์ได้ยิงอัลลอฮ์อัลออลอฮ์เห็นฉะนั้นในความอดทนเนี่ยทำไมพี่น้องเราจะมีความหวังที่สวยงามที่นบียกรูปพูดจริงเลยฟะซอบุญยามินการอดทนเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามนอกจากอดทนแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นลักษณะของนบียกุบอลฮิสลาม ความหวังนี่ไม่หมดนะอัลลอฮอัยะติยาเนบีฮิมเยมีอาลูกสิบสองคนตอนนี้หายไปสามคนเหลือแค่เก้าคนหนึ่งหายไปส0มสิบสีสิบปีแล้วมั้งแต่ว่าฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะนำพวกเขากลับมาหาฉันทั้งหมดเลยยยมีอันในอายะที่สุดท้ายยิ่งเห็นนสนาขนานบียะกูไปใหญ่ความเสียใจความเศร้าที่มีอัชกูบัสตีฮุสนีอิลลัฉันไม่ฟ้องต่อใครฉันขอฟ้องต่ออัลลอฮ์พี่นอ้อง นะครับฟ้องต่อรอดมาาันจะไปต้องรอไปทําพัดไปทำอุ้มร้องก็ไปขอที่ก้าวบ้านนะอยู่ที่บ้านละหมาดในห้องนั่งเล่นเนี่ยหน้าทวทัศน์เนี่ยก็ฟ้องต่อรอดได้นะครับว่าฉันเสียใจแบบนี้ข อ, อความช่วยเหลือต่อรอดนี่คือสิ่งที่ฝากกับพี่น้องในวันนี้นะครับหมดเวลาไปดีนะอัลัิตาฟิคุณฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบะราหมะตุลลอฮิวบะรากะดุ